ต้องมาอธิบายธรรมะให้ฟังตีดตั้งใจพากันมาศึกษาธรรมะอันนี้เดยชื่อว่ามาอบรมธรรมะ mm. การมาเที่ยวเร mm. ียกว่าไม่ไรประโยชน์ในการที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมอบรมธรรมะ ดีกว่าที่เขาพากันเที่ยวเน ห, หาไม่มีการสัมเทศของถามนั้นจะ่ีกมอัตมาเทศก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะเทศในญาณโยมฟังขอให้ตั้งใจให้เข้าใจว่าการเทศคือของเก่าเทศเรื่องเก่าแต่นหนแต่ไรมา พระพุทธเจ้าท่านก็เทศแล้วสองพันกว่าปีที่ท่านเทศไว้ครูบาอาจารย์นักธรรมทึกทั้งหลายตัวเทศของเก่านะเรื่องเก่านะไม่เอาเรื่องใหม่มาเทศหรอกถึงญาติโยมผู้ฟังของคนเก่าฟังของเก่าอยู่ล่าไป ให้คิดดอว่าเริ่มธรรมเทศนาก็ตั้งอโมสามจบอลไรประบทขึ้นแล้วก็บรรยายไปการบรรยายไปนั้นก็บรรยายทั้งเรื่องศีลสมาธิปัญญาใครธิบายที่ไหนที่ไหนก็ลงศีลสมาธิปัญญาในรวมเหมงนั้นเ สำหรับโยมผู้ที่มาฟังเทศฟังธรรมก็เอาคนเก่านั่นแหละมาฟังก็ดีกายว่าจาใจของเก่านั้นเอามาฟังเทศอาตมาจึงว่าเทศของเก่าเรื่องเก่าผู้ฟังกับคนเก่าไม่ใช่คนใหม่ แน่าจะให้เทศอะไรอีกไม่มีเรื่องเทศนอกจากของเก่าเทศของเก่าไม่รู้แล้วว่าเป็ักทีทำไมยึกเทศอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจาใธรรมะคําสอนนองพระทธเจ้าโอ่งเทศทําไม่เข้าใจฟังที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งฟังอีกที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่เราไม่ยดจำนั่นเองถ้าเราจดจำแล้วไม่ผิดจากของเก่าไปไหนกายวาจาใจของเก่าศิลสมาธิปัญญาของเก่าคนผู้เก่าคงเอาฟังเทศตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายไปฟังที่ไหนก็เอาของเก่านี้ไปฟัง พระพุทธเจ้าท่านเท ศ, าเทศนาสินไอเทศนาทัานเรื่องขันอาญา น, นะอินทรียธาตุอินทรีก็ของเก่าแต่ทําไมเราจึงไม่พิจารณาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ารเราพิจารณาลงตรงนี้แล้วจะเห็นว่าพระองค์ไม่เทศเหนือนอกจากเปนน อ, อกจากนี้หรอก คือาต4สได้แก่ดินน้ำไฟลมตายแล้วก็เป็นดินน้ำไฟลมเกิดมาก็ ด, ดินน้ำไฟลมมาเกิดของเก่านี้เนีย่ยาตุสี่เ อ, ไอไขันหะประเทศของเก่ารูปหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารมียาง พออยู่นี่เลตัวของเราเนี่ยไม่ใช่อิงใจงานยุทธนาหกภายนอกหกภายในหกคิดตาหูแจมเรีงคายใจในยุทาภายในภายนอกกรลูกเสียงกลิ่นรสโปรธาภัตมาลงนั้นเป็นองอายนยุทธนาภายนอกก็ตัวของเราเนี่ไม่ใช่อิงใจอะไรรูปนาม ถ้ามีลูกกับนามท่า น, นี้แล้วสำเร็จประโยชน์ทุกสิ่งทุกประการทำอะไรทุกสิ่งสำเร็จหมดถ้าจีกันธาลรวมต้งเรียกว่ารูปนามลูกคือสิ่งที่ปรากฏคือตัวงเรานี่เนี่ยเรียกว่าลูปนามไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏ ในกเกวทนาสัญญาสังขาริยางที่ไม่ปรากฏแกตสายตาของคนเรียกว่านามถ้าหากได้ลูกกับนามแล้วคนจะทำบาปครานี้ก็ไม่ใช่อื่นใครก็เอานี่แหละไปทำถ้าสัตจิตคือ น, นามคิดจะขาดก็เอากาย ไม่เห็นลูกไปขาดจิตคิดจะรักก็จิตอันนี้แหละกลายไปรักของเขามานั่นก็เรียกว่าลูกคิดประพฤตผิดนิจฉาจารก็เอาจิตอันนี้แหละเรากายไปกระทําประพฤติผิดนิจฉาจาร คิดจะโกหกคิดจะพูดเท็จก็จิตตรงนี้หละคิดแล้วก็พูดออกมาด้วยว่าจากเครื่องกายในพูดดืมสุราเมลัยเครื่องมึนเมา ต, ตาม่างๆก็มีจิตคิดจะดื่มและยังคอยเอากายไปดื่มก็ไม่หนีจากกายกับใจ กายกับใจกันนี้ทำได้ทุกอย่างทำบาปนอกเนือจากศีลธารมยางหลายอย่างหลายเรื่องซึ่งจะทำให้เกิดบาปขึ้นมาบุญกุศลก็เกิดจากอันนี้คิดจะทำบุญอย่าคิดจะมาในที่นี้แหละคิดแต่เบื้องต้น ถ้าคิดเฉยเฉยไม่มามันก็ไม่เป็นอันนี้เอากายนี่แหละเครืองลูกอันนี้แห่ะมาจึงค่อยมาถึงในทีน่นี้มาถึงแล้วก็ได้ฟังธรรมฟังธรรมก็เอาหูของเราน่ะฟังแล้วก็ซาบซึงเข้าไปในใจใจนั้นก็เกิดปีติซึ่งปีติอิมโอกิมจก็ใจนี่แหละหูคือลกูก ฟังเทศแล่วก็ึ่นทราบก็ไปถึงใจคือลกกับคลูกกับน า, าวัเนี้ยจึงเป็นบุญเป็นกุศลคิดจะทำบุญเีิงอื่นค่ะนี่อย่างบุญแล้วบวชก็ บ, บวชงาก็ดีในกองกฐินอัฐบริกรรนอะไรต่างเราคิดจะทำก็ใจตรงนั้น แล้ก็ไปสแสวงหาม า, าเรียกวครบขันบริบูรณ์แลน้นก็ตัวกายเรียกว่ารูปกับนาเหมือนกันถ้ามีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามก็าเรียกคนตายถ้ามีแต่นามันเดียวไม่มีลูปก็ไม่สำเร็จทำบาปทำบุญไม่สำเร็จอะไรเลย นี่ของเก่าจึงเรียกว่าของเก่าใช้ไปเถิดใช้ไปเถิดได้ไปใช้ไปเถิดไม่หมดไม่สิ่นสักทีถ้าหากมันตายไม่ตายมา เ, ยเมื่อไรเมื่อไงก็คนเรียนหนังสือเรียนอักขระประจันชนะได้ไปก่อนประจันชนะสาีสองตัว ทั้งจะขอขอไปละเป็นต้นพยัญชนะแปดไออัคระสามิบสองตัวพยัญชนะแปดไออัคระสามิบสองตัวพยัญชนะแปด a e i a o e o นั่นเรียกว่าพยัญชนะถ้าไม่มีพยัญชนะมีเจก่กระระ ก็พูดไม่ออกเหมือนกับมีแต่กายไม่มีใจคือคนตายถ้ามีแต่พยัญชนะคือมีแต่อาอาอีอเอโอเท่านั้นละ่ะพูดอะไรไม่ได้เลยมีแต่เสียงตัวออตัวเดียวก็คือมีแต่จิตไม่สามารถที่จะ ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้เมื่อมีสลาปจิจนาประสมเข้าแล้วการนี้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจะพูดอะไรจะทําอะไรได้หมดจะเขียนอะไรก็ได้อันนี้เรียนต้นเรียนเบื้องต้นคือเรียนสลาปจิจนาผเรียนทำ ม, มากก็คือเรียนต้นซะก่อน เรียนกายกับใจไปก่อนถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นใจไม่เห็นรูปไม่เห็นนามก็ไม่กล้าจะไปปฏิบัติตรงไหนถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นใจก็เห็นแต่ว่ามันไม่รู้ไม่รู้เห็นกับรู้ต่างหากเห็นนั่นคือเห็นด้วยตารู้นั่นคือรู้ด้วยใจต้องเห็นและต้องรู้ ใจไม่ของมีตัวต้องรู้เห็นนั่นคือเห็นด้วยตาลูกมันนี้เป็นของมีไม่เห็นดูเห็นด้วยตาเห็นลูกเห็นเห็นรูปมันนี้เห็นด้วยตาส่วนใจต้องเห็นด้วยความรู้ต้องของเรานี้ซะก่อนจึงจะปฏิบัติถูก เดี๋ยวนี้เราเห็นแต่ลูกตาเห็นลูกทุกคนนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นแก่สาระทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะเห็นแต่ลูกไม่ทราบจะปฏิบัติตรงไหนศาสนานี่ต้องสอนลูกกำนามจึงจะสอนถูกถ้าไม่ลูกกำนามแล้วก็สอนศาสนาทุกปฏิบัติถูก ถ้าในเห็นรูปเห็นนามก็สอนไม่ถูกปธิบัติก็ไม่ถูกไม่เข้าใจอย่างนี้ศาสนาให้เข้าใจอย่างนี้ฟังเทศไม่ได้ความฟังเทศไม่รู้เรื่องจับถ้อยคำไม่ได้อธิบายไปยืดยาวจับหลักไม่ได้ฟังไปเท่าไรก็ฟังไปถึง จลักไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกอยู่แล้นเองถ้าปฏิบัติถูกอย่างอธิบายมาในเบื้องตน้นที่เรียกว่าของเก่าจากของเก่านี้แหละมาปฏิบัติที่ตัวของเราคือเอาจิน ต, ตยยนั่นเป็นตั้งไว้ที่กายน่ะไม่ต้องออกนอกจากกาย เอาจิตนี่ยไปตั้งไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็คือที่ปลายจมูกน่ะถ้านะไม่อยู่ตรงนั้นนะ่ะย้ายหนีจากนันเลยจิตตั้งมันไว้ตรงนั้นให้รู้สึกว่าลมหายใจเขา้าหายใจเขา้าหายใจออกกำหนดรู้เท่านั้นแนะ่ะความรู้วันที่ว่าลมมีอยู่ที่ปลายจมกูกนะ่ะให้จิตแน่วแน่อย่างนั้น กายกัตั้งมันใจกับแนวแนว่นั้นเขาถึงถูกสมาธิภาวนาขนาดนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องเรื่องกรรมฐานไม่ได้สอนเรื่องอื่นอย่างอธิอย่างอธิบายนี้นะพระพุทธเจ้าท่านเทศนานั้นเทศนากายกับใจสอนเรื่องสอนเรื่องกรรมฐาน ไม่ได้สอนอื่นไปสอนใครก็เอาเธอสอนไงต้องรวมข้มาในที่นี้เมื่อรวมถูกกายกับใจเมื่อสอนกนมากายกับใจแลนะเที่ยววัดสอนกรรมฐานคนเข้าใจแต่ว่าผ้าเป็นกรรมฐานเดินป่าดูเดินลูกขมูลแหวกตะไคร่บาดโน้นผ่ากรรมฐานไม่ใช่อันนั้นท่เที่ยววิเวกต่างหาก ท่านแสวงหาวิเวกสงบเพื่อรวมจิตใจของเก่านั่นแหละรวมจิตใจของเก่านะ่ะห้แนวแนว่เราอยู่บ้านอยู่ช่องให้เป็นคารวะเราไม่ได้เที่ยวป่าที่ทุกขโมลแล้วก็ทากรรมฐานอย่างเดียวกันปฏิบัติศาสนานี่เรียกว่าปฏิบัติศาสนานี่เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานอย่างนะั้น เราไม่มีกฎเราไม่มีบาตรเราเป็นครวาสอยู่ก็ปฏิบัติอันนี้แหละกายกับใจนี่แหละอย่างเบื้องตน้นผู้จะบวชเป็นพิกษุสัมม น, นีท่านสอนกรรมฐานห้าเรียกว่าปัญจากากรรมฐาน สอนเกสาโลมาหน้าขาตาตาโจเอาแต่าาหาเท่านั้นไม่ต้องมาเพราะเวลาบวชมันมีเวลาน้อยแท้ที่จริงก่อาการสาที่สองที่ไล่ไปทั้งหมดนัเนี่ยเป็นกรรมฐานั้งหมดแต่ว่าท่านสอนในเวลานั้นบวชเป็นเวลาน้อยจึงสอนปัญจการกรรมฐานหา่าเกสาก็คือผมของเรา ตัวมากคือข้นของเราน้าขากับเล็บของเราดัานตากับฟันของเรานี่แหละตาโจคือขึ้นหนังของเราเนี่ยหลหุ่มห่อตัวของเราจนเนี่ยสอนที่แรื่กรรมฐานแน้าใครไม่มีกรรมฐานคารับ้านมีไหมล่ะมีอระนีมีไหม ม, มีมีเหมือนกันทุกคนของหายานี้มันมีหมด เหตุ okay. นั่นจึงว่าพระองค์สอนครวมาฐานแท้ๆทีเดียวไม่จะสอนที่อื่นแบบให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่ากรวร่ฐานยุคที่อื่นแท้แท้จริงตัวงเรามีกรว่าฐานอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ปฏิบัตินั่นจะกทีจึงไม่ถูกจึไม่ถูกทำตามสอนของพระพุทธเจ้าเรามีแล้วเราปฏิบัติเข้าไปมันก็ถูกทันทีแล้วก็เป็นกรรมาฐานในตัว จึงแสดงว่าธรรมเทศนาที่พระเจ้าแสด ง, งหล้วนมดอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราไม่ได้ปฏิบัติเท่านั้นอาตมาเทศก็ไม่เทศอื่นไกลพวกญาญโญทั้งหลายมาก็ไม่ได้ก็ไม่เอาอื่นไกลเอาตัวเก่าของมาเทศอาตมาเทศของเก่ารวมความแล้วมีได้ทุกคนไม่ต้องเสาะหาที่อื่นไกล นี่เรียกว่าเทศนาธรรมะของพระเจ้าโดยเฉพาะเอาละอธิบายท่นนี้